ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่ห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมชาดกแผ่นที่ห้าให้คติธรรมหบอวกว่าวายเมเทวัปุริโส ยาวะนิ ป, ปะขาแปลว่าควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จคนเราเกิดมาก่อนที่จะร่ำรวยได้ก็ต้องเก็บของรองนิดทีละน้อยผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันล้มลุกคุกคานแต่อย่าท้อถอยอย่าถอยหลังพยายามประออกอบคุณงาม เชื่อในพรธรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ก่อนเพราะพวกเรายังไม่เคยเดินแต่จากนั้นพวกเราก็ให้นํามาประพฤติปฏิบัติควบคุมกายวัยกา ย, จายใจของเราเรื่อยไปเหมือนกับเราสอบสแสวงหาทรัพย์ม่ใช่ว่าเราเกิดมาปีนี้เราหาทรัพ ย, ย, ย์แต่ปีงี้เราก็หยุดเมื่อหยุดขึ้นมาแล้ว กินทุกปีทุกวันเราใช้ทุกปีทุกวันแล้วทรัพย์สมบัติมันหมดไปแล้วความจดมันก็เกิดขึ้นกับครัวข้างเรานี้ก็เหมือนกันการประกอบคุณงามความดีอาหารกายก็ต้องสอบสแสวงหาอาหารใจยก็ควรประกอบคุณงามตวาดีไปเรื่อยๆเพราะนั้นคำที่ว่าควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบผลสําเร็จ คือเราพยายามไปจนถ้าทำโลกไปถ้าถึงระดับขั้นมีอันจะกินเพียงพอถึงจะไม่เป็นเศรษฐีกับเพียงพอแต่ถ้าวาทางธรรมมทางด้านปฏิบัติทางด้านจิตใจให้ปฏิบัติจนถึงเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์นั่นแหละคือสิ้นสุดในหลักธรรมคำสอนในจุดประสงค์หรือ ว, ว่าพุธทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์าสนทั้งหลาย พวกเราแย่ยามเลื่อยไปจนกว่าสําเร็จถึงจุดนั้นด้วยอ า, านาจคุณพระสีรัตนารายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสารทุกโลกบุญบา ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วขอให้มาคุ้มครองที่น้องประชาชนลูกหลานพระหลาจนจงประสบแตคค่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ สิ่งใดคือในขอบของศีลธรรมเขาให้สมควรเับปรารถนาทุกท่าน